ความเห็นผิดนี้มีหลายระดับตั้งแต่ระดับชั้นหยาบขึ้นไปจนถึงชั้นละเอียดสำหรับที่เป็นระดับชั้นหยาบคือมิจฉาทิฏฐิใน อากุศ ล, ลกรรมมาหมดฝ่ายมโนกรรมอันมโนกรรมอันเป็นฝ่ายอากุศลนี่ได้แก่ พิชชาความโลภเพ่งเลงสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนพยาบาทความมุ่งไร้หมายล้างพลานและมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐินี้ ท่านแสดงไว้อีกสามคืออกิริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรำอเหตุกุกกาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุนัตถิกาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มี ข้อแรกอกิริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธทรรมนั่นก็คือปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปว่าการกระทาไม่มีเป็นบุญไม่มีเป็นบาปส่วนที่ว่า ดีหรือชั่วนั้นเกี่ยวแก่ปัจจัยภายนอกคือบุคคลอื่นเมื่อบุคคลอื่นรู้เห็นก็ว่าดีบ้างไม่ดีบ้าง ยกย่องบงังลงโทษบงังแต่ถ้าไม่มีผู้อื่นรู้เห็นก็ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีดีไม่มีชั่วเป็นเพียงการกระทำเท่านั้น อคติยทิทิฏฐิดังกล่าวมันนี่ผิดหลักพุทธศาสนาเพราะหลักพุทธศาสนานั้นแสดงว่าการทาของบุคคลเมื่อเจตนาจงใจทา การที่เป็นบาปก็เป็นบาปการที่เป็นบุญก็เป็นบุญคนอื่นจะรู้จะเห็นจะยกย่องเคื่อนชมจะลงโทษหรือไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม เมื่อจงใจทําการที่เป็นบาปแล้วก็เป็นบาปอยู่นั่นเองจงใจทําการที่เป็นบุญแล้วก็เป็นบุญอยู่นั่นเองจึงมีบุญมีบาปมีดีมีชั่วหรือเรียกว่ามีกรรมดีกรรมชั่ว ข้อ2อเหตุกาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุคือเมื่อได้รับผลดีผลร้ายต่างๆก็เห็นว่าเป็นไปตามคราวคือคราวที่มีโชคดีก็ได้รับผลดีต่างๆคราวที่มีโชคร้าย ก็เลยรับผลไม่ดีต่างๆไม่มีเหตุอะไรที่จะมาทำให้ได้ผลดีผลร้ายเป็นไปตามคราวตามเวลาตามโชคดีโชคร้ายเคราะดีเคราะไร ความเห็นดังนี้ผิดหลักพุทธศาสนาเพาตามหลักพุทธศาสนานั้นแสดงว่าผลย่อมเกิดแต่เหตุผลดีก็เหตุก็เกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดี แม้ว่าตนเองจะยังไม่สามารถรู้ถึงเหตุของผลนั้นๆได้ผลนั้นๆก็ต้องมีเหตุอยู่นั่นเองหาได้เป็นไปตามคราวแห่งโชคเคราะห์ดีหรือไม่ดีดังกล่าวนั้นไม่ ดังที่ตรัสแสดงไว้ว่าผลดีก็เกิดจกากกรรมดีผลชั่วก็เกิดจกากกรรมชั่วข้อที่สามนักทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีคือไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสมมติสัจธร ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคติธรรมดาหรือครองธรรมตามเหตุและผลไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสมมติสัจจะนั่นก็เป็นต้นว่า ไม่มีบันดาไม่มีบิดาสัตว์บุคคลเกิดสืบเชื้อสายกันมาตามเรื่องตามราวเท่านั้น จึงไม่มีใครที่จะต้องนับถือว่าเป็นบิดาเป็นบรรดาแม่ที่นับถือว่าสมณะพราหมณ์ก็ไม่มีไม่มีภิกษุไม่มีสมณี น, เ, นเป็นต้น แม้ที่นับถือกันอย่างอื่นเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่มีและไม่มีเหตุผลที่เป็นคติธรรมดาหรือที่เป็นไปตามครองธรรมคือคติธรรมดา หรือที่เป็นไปตามคลองธรรมะเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จักต้องเป็นผู้รับต้องเป็นทายาตรับผลของกรรมนั้น ไม่มีเหตุไม่มีผลคือไม่มีกรรมดีไม่มีผลดีไม่มีกรรมชั่วไม่มีผลชั่วดังนั้นเป็นอันว่านัติกาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีนี่ปฏิเสธสมมติบัญสมมติสัจจะทั้งหมดปฏิเสธครองธรรมทั้งหมดความเห็นดังนี้ผิด คติทางพุทธศาสนาราทางพุทธศาสนานั้นสอนให้นับถือสมมติสัจจากความจริงโดยสมมติและสอนครองธรรมคติธรรมดาคือสอนให้ บุติดาเคารพนับถือมารดาบิดาเป็นกัตัญญูกตวเวทีต่อมารดาบิดาสอนให้มารดาบิดาปฏิบัติจนให้เป็นบุพการีเป็นพรหมของบุตธิดา สอนว่ามีสมณพราหมณ์ปฏิบัติชอบที่พปือนนับคือเข่นมีภิกษุมีสัมมะเนนและมีบุคคลที่ได้รับสมมติบัญญัติแต่งตั้งในฐานะต่างๆพระพุทธศาสนาสอน ให้ปฏิบัติตามคลองธรรมให้รับรู้ในคลองธรรมหรือกติธรรมดาดังที่ยกมากราวข้างต้นนั้นมาจาักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นทายาต ร, รับผลของกรรมนั้นทำดีไว้ก็รับผลดีเป็นทายาต ร, รับผลดีทำชั่วก็เป็นทายาต ร, รับผลที่ชั่ว เป็นเหตุเป็นผลตามกติธรรมดาฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิทั้งสามนี้คืออกิริยะทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธ ร, รมอเหตุุกัทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุนัตถิกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีจึงเป็นความเห็นผิดอย่างร้ายแรง ซึ่งเมื่อมีความยึดถืออยู่ในมิจฉาทิฏฐินี้มากจนดิ่งลงอันเรียกว่านิยตะมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดกินดิ่งลงแล้วก็ให้เกิดโทษมหาหัน ทำให้ไม่รับรองกรรมที่เป็นบุญเป็นบาปไม่รับรองผลต่างๆที่ได้รับว่าเกิดจากเหตุไม่รับรองสมมติสติจัรไม่รับรองครองธรรมหรือกติธรรมดา ทั้งสิ้นซึ่งทางพุทธศาสนาถือว่าผู้ที่มีความเห็นดังนี้แล้วจมดิ่งลงไปสู่อ บ, บายคืออุปภบที่เสื่อมกล่าวได้ว่าตั้งแต่ชาตินี้ ถ้าใครมีความเห็นดังนี้ยิ่งดิ่งลงไปแล้วหรือแนบแน่นแล้วเพราะมีอุปาทานความยึดถืออยู่อย่างแรงแล้วก็ยิ่งดิ่งลงเหวลงนรกไปทีเดียวเป็นความเห็นผิดที่ต้องละ จึงจะสามารถยกตนขึ้นสู่ภูมิชั้นของมนุษย์ของบุคคลที่เป็นระดับสามัญชนคนดีได้เพราะฉะนั้น ความยึดถือความเห็นผิดในข้อนี้จึงให้โทษอย่างมหันผู้ที่นับถือพุทธศาสนานั้นกล่าวได้ว่าย่อมละความเห็นผิดอันมีโทษมหันอันายแรงนี้ได้ด้วยกัน ได้เป็นพุทธศาสนกภูนับถือพุทธศาสนาได้ถ้ายังละไม่ได้ก็ย่อมจะไม่นับถือพุทธศาสนาหรือย่อมจะทำลายพุทธศาสนาหรือแม้ย่อมจะทำลายศาสนาทุกอย่างทุกศาสนาที่สอนให้ละชั่วทาดี แม้ในขั้นสามัญมาถึงมิจฉาทิฏฐิที่เป็นระดับมีโทษน้อยเข้าก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ กับปุจเฉทตทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์สัจสตาทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงนั้นก็คือเห็นว่าในปัจจุบันนี้ก็มีอัตตาคือตัวตนเมื่อกายนี้แตกสลาย อัตตาคือตัวตนก็ไม่แตกสลายไปถือชาติพบใหม่และก็เป็นไปดังนี้ตลอดไปมีอัตตาคือตัวตนที่ไม่ตายอยู่ดังนี้ตลอดไปที่ตายนั้นเป็นเพียงร่างกายสังขาร เท่านั้นอีกข้อหนึ่งอุดเข็ม ท, ที่ความเห็นว่าขาดศูนย์คือเห็นว่ามีอัตราตัวตนอยู่ในชาตินี้เท่านั้นเมื่อร่างกายอันนี้แตกสลายอัตราตัวตนก็แตกสลายไปพร้อมกันไม่มี อัตาตัวตนที่จะไปถือชาติพบใหม่ความเห็นแรกสัตสตทิฏฐิคือเห็นว่าตายเกิดเกิดกันเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุดความเห็นหลังอุจเหตทิฏฐิคือเห็นว่าตายสูญไม่เกิด คนโดยมากนั้นมักจะเห็นกันว่าตายเกิดแต่ก็มีบางคนที่เห็นว่าตายสูญไม่เกิดเพราะว่าไม่เห็นว่ามีอะไรไปเกิดเมื่อตายแล้วก็หมดลมหายใจก็เป็นซากศพ ไม่ปรากฏว่ามีอัตตาอะไรไม่รู้ไม่เห็นอัตตาอะไรว่าไปเกิดคนบางคนจึงลงความเห็นว่าตายสูญอันที่จริงก็เป็นอย่างนั้นคือว่าคนสามัญทั่วไป น, นั้นไม่รู้ไม่เห็นว่าอะไรไปเกิดเมื่อใครตายหมดลมหายใจ ก็นำไปเผาไปฝังกันแต่แม้ฉะ่นั้นคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ <c oughs> ก็ปรากฏว่าเชื่อกันว่าตายเกิดเพราะเชื่อต่อคำสอนของศาสนาที่สอนว่าตายเกิดหรือว่าปรากฏ เหตุการณ์บางอย่างเช่นฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วหรือปรากฏภาพของคนที่ตายไปแล้วเป็นต้นแต่แม้เช่นนั้นความเห็นดังนี้ก็ผิดหลักพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนานั้น ไม่สอนว่าตายเกิดกันเรื่อยไปและไม่สอนว่าตายสูญซึ่งเป็นคำสอนที่แสดงตายตัวไปฝ่ายเดียวแต่ว่าสอนจำแนกตามเหตุและผล อันเรียกว่าวิพัชวาธะกล่าวจำแนกตามเหตุและผลคือเมื่อมีเหตุให้เกิดก็เกิดเมื่อสิ้นให้เกิดก็ไม่เกิดดังเช่นในเทราธิบายของท่านพระสาสดบุตรที่ได้กล่าวมาแล้ว ว, นะวัชรามรณะวัชรามรณะมีขึ้นก็เพราะมีชาติคือความเกิดชาคือความเกิดมีขึ้นก็เพราะมีพบดังนี้ก็แปลว่าเมื่อยังมีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ต้องเกิดเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยให้เกิดก็ไม่เกิด คือเมื่อตัดตัณหาได้สิ้นเชิงซึ่งกิเลสหมดก็ไม่เกิดแต่แม้ไม่เกิดก็ไม่แสดงว่าศูนย์ถ้าเห็นว่าพระอรหันต์ศูนย์ก็เรียกไปเป็นความเห็นผิดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้น แม้ความเห็นทั้งสองนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิจีความเห็นผิดแต่เป็นความเห็นผิดที่ยังไม่ถือว่ามีโทษร้ายแรงเหมือนอย่างสามข้อข้างตน้นแต่คนทั่วไปก็ยังมีความเห็นกันดังนี้อยู่เป็นอันมากต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตและตั้งใจทางความสงบสืบต่อไปบัดนี้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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเรื่องสัมมาทิฏฐิตามเทราธิบายของท่านพระสารีบุตรเทระมาถึงข้ออุปาทาน และข้ออุปาทานนี้ก็กำลังอธิบายทิฏฐุปาทานความยึดถือทิฏฐิคือความเห็นและก็ได้แสดงถึงทิฏฐิคือความเห็นผิดต่างๆ ที่เป็นอย่างรุนแรงเป็นนิยตะมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่ดิ่งลงคืออคติยะทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันกระทำคือไม่มีบุญไม่มีบาป อเหตุุกะิทิทิความเห็นว่าไม่มีเหตุคือผลที่ได้ต่างๆบังเกิดขึ้นตามคราวแห่งโชคเคราะ นักทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเป็นการปฏิเสธสมมติสั จ, จความจริงโดยสมมติปฏิเสธกติธรรมดาเช่นกติกรรมและผลของกรรม ความเห็นที่ผิดหลักพุทธศาสนาสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงแสดงว่าความเห็นผิดทั้งสามนี้ข้ามทั้งสุขติคือคติที่ดี ข้ามท้งมรรคผลนิพพานและได้แสดงต่อไปถึงทิฏฐิคือความเห็นสองอย่างคือสัสะตะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงอุเฉต ท, ทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ ยาวสั้นง่ายๆคือเห็นว่าตายเกิดกับเห็นว่าตายศู์แต่ต้องเข้าใจว่าเห็นว่าตายเกิดที่เป็นสัตตะทิฏฐินั่นคือต้องเกิดกันร่ำไปไม่มีสิ้นสุด แต่กล่าวสั้นว่าเห็นว่าตายเกิดก็เห็นว่าตายสู์อันความเห็นดังนี้เป็นความเห็นที่ผิดจากสัมมาทิฏฐิในอริยสัจ คือสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในองค์มรรคในอริยสัจนี้แสดงเป็นวิพัตชวาธะคือกลับ ตามเหตุและผลทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมักเป็นเหตุทุกข์กับสมุทยัย